ผู้ใดพิจารณาทุกเนืงเองพวกนั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารนาโรปาพิมพมันเกิดขึ้นที่คันธันดานของเราบ้านเมืองของมารมันก็อยู่อาศัยของห้วใจบ้านเมืองของสนิมมันก็ต้องอาศัยอยู่ที่เหล็กเมื่อทำละสนิมออกแล้วเหล็กก็ส ะ, สะอาดกิเลสเปื่เปียบ เ, เหมือนเทวันทันต้นไม้ เปรียบเหมือนของสกปรกที่มาถูกผ้าหรือถูกกายของเราร่างอันอื่นร่างเลยนะหรือน้ำมันภายนอกร่างกิเลสด้วยทานวัตสีวัตภาวนาวัตพุทธธรรมสง์สัมปยุตอยู่ในตัวคนดีคนชั่ว เราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาศีลธรรมของพระบรมศาสด า, ศาเป็นเครื่องวัดเอาเหตุเอาผลของเขาเป็นเครื่องวัดการทํานายทายทักเราจะไปอัศจรรย์คนอื่นมากกว่าตัวเรามันก็ไม่ถูก เยอนี้ท่านกำลังนึกคิดอย่างนั้นอยู่นะเขาทายถูกทีนี้เราจะไม่ให้คะแนนเขามากกว่าเราเราก็ไม่ยอมให้อีกเหมือนกันเรารู้จักก่อนเขาแล้วเมื่อเขาไม่ทายเราก็รู้จัก่อนเขาแล้วเราจะไม่ให้คะแนนเขาทำไมเรานึกยังไงเราก็รู้อยู่ทีนี้เขามาทายเราถูกเราเราก็อัศจรรย์เขา ทำไมไม่อศัศจรรย์ตัวเองตัวลูกก่อนเขาแล้วคุณมานะักนิจคณะนามสกุลอยู่อำเภอตะกัวทุ่งแกแกเคยมาอบรมกับพระกรรมฐานทีนี่เด็กคนหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วผู้ใหญ่ก็เถียงกันเด็กคนนี้มันไม่ล่างหน้าก็เถียงกันบางคนว่าล่างแล้ว แต่เด็กคนนั้นมันไม่พูดที่ น, นี่คุณมารัตไปตัดจานวนเขาจะเถียงกันทําไมร่างหรือไม่ร่างมันก็รู้จากมันอยู่เก็บเยอกเกินอันนี้เขาพูดเป็นธรรมะอีกเด้วยไปเถียงกันทําไมร่างหรือไม่ร่างมันก็รู้จากมันอยู่แกเคยมาพบกับพระธรรมทาน เราเห็นภายในโลกหรือไม่เราเห็นภายในวัดตาสงสารหรือไม่หรือเราอยู่สิ้นวันสิ้นคืนไปเฉยๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะถามตัวเราไม่ต้องให้คนอื่นถามจะเห็นชัดในเราเองไม่ต้องให้คนอื่นให้คะแนนหรือบุก ลมเข้าข้างหนึ่งมีทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยลมออกข้างหนึ่งก็มีทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาในส่วนกายและทังขารด้วยส่วนจิตใจรู้ตามเป็นจริงด้วยลมเข้าข้างหนึ่งมีทั้งแก่เก็บตายด้วยมีทั้งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกด้วยมีทั้งแปดมืนสี่พระธรรมะขันด้วยพอ ร, รวมลงมาในที่นี้ ผู้มีกําลังแรงกําลังแรงคื อ, อยังไงก็คือปัญญานักมวยที่กําลังแรงเขาเข้าไปเขาก็กอดเลยคนมีกําลังไหวติงไปมาไม่ได้เขาก็หักลงเลยชั้นใดก็ดีผู้มีปัญญา เห็นกรรมฐานขณะกินเดียวเท่านั้นไม่แอบกินอยู่กับสมาธิเห็นทั้งวิปัสสนาควบกันด้วยไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังพวกมีปัญญาสามารถนับหินเน็บนับเม็ดทรายได้นับเม็ดหินเม็ดทรายเพราะหินทราย เป็นธาตุดินเป็นของแข็งนับลงถึงเอากาปเทวีธาตุนับเ ม, ม็ดน้ําลงถึงเอากอาอะโปธาตุในปจัจจุบันหนึ่งนา้าหนึ่งดินนับลมนับผลก็นับลงในหนึ่งน้ําของหลายสิ่งที่สมมุติว่าหลายก็ออกไปจากหนึ่ง ถ้ไม่มีหนึ่งเป็นหลักก็นับไม่ได้ถ้าย่นก็ย่นย่นลงมาถึงหนึ่งทีนี้จะตายมากตายน้อยรับเท่าไรก็ตามก็รวมลงมาหาหนึ่งตายจะแก่น้อยแก่มากสักเพียงไหนก็ตามก็ลงมาหาหนึ่งแก่หนึ่งเก็บหนึ่งตายสับปทุกขย่นลงมาถึงเอกทุกในปัจจุบันเรียกว่าย่นแผ่นดินมาแล้วย่นสังขารมาแล้วรวบสังขารมาแล้ว อยู่ในกำรร ม, มือของปัญญาแล้วสภาวสังขารสังขารตะพวงย่นลงมาหาเอกสังขารในปัจจุบันเมื่อเห็นสังขารในปัจจุบันชัดแล้วทําไมถึงจะไปสงสัยในสังขารในอดีตในอนาคตผู้ใดไปสงสัยสังขารในอดีตในอนาคตก็คือผู้ปัจจุบันนี่เองใครเป็นใครเป็นผู้ไปสมมุติอดีตมาใช่ก็คือผู้ปัจจุบันนี่เอง ไปไปผู้ไปสมมุติอนาคตไม่ใช่ก็คือผู้ปัจจุบันนี่เอง mm hmm. เมื่อเหยียบเล็บผู้ปัจจุบันได้แล้ว mm hmm. ก็เหยียบเล็บอดีตอนาคตได้อยู่ในตัว mm hmm. เมื่อไม่สงสัยในปัจจุบันแล้วอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยในตอนนั้นๆั่ mm hmm. ถ้าไมาอย่างนั้น mm hmm. การปฏิบัติธรรมก็สุ่มเดาแก้วเจ้าขากินข้าวกลับกล้วยแต่ว่ากินอยู่ก็ยังไม่รู้จะกล้วยนี่ เคยหูก็หัดบากว่าไปอย่างนั้นภาษาของมันเราฟังดูไม่รู้ว่ามันพูดอะไรเราได้ยินมันพูดภาษาคนได้ก็เป็นที่ชอบใจเพราะเป็นการแปลประหลาดที่นกพูดเป็นภาษาคนได้เท่านั้นเราจะใช้ให้คาบหนังสือมาให้เรามันก็ไม่รู้จักอีกด้วย ย, ยิ่งเป็นนกอยู่บ้านแล้วก็ยิ่งขี้ขลาดมากกว่านกกลาง่ากพูดคนเดียวมันก็เหนื่อยนี่คนอื่นไม่มีโอกาสพูดพูดคนเดียวหน้าเบื่อให้ท่านผู้อื่นพูดบ้างนี่ ท่านผู้อื่นมีสิทธิ์บ้างมีสิทธิ์แต่เราคนเดียวไม่ได้ต้องให้สิทธิ์ท่านผู้อื่นบ้างใครจะปลารบอะไรก็ปลารบที่นี้ขอให้ัอให้เท่ันสคัญวันนี้ครับวันคัญวันนี้ครับ ความสำคัญของวันสรลฮะบูชาครับเด็ดสําคัญอสรลฮะบูชาวันเข้าพรรษาหรือวันอะไรวันวันนี้ครับเปิดอัสสลฮบูชาวันพรุ่งนี้เข้าพรรษาไม่ใช่วันนี้นะครับวันนี้วันอัสสลฮะในครั้งนี้ของโปรเทเรื่องวันอัสสละอสสลฮะบูชาะวันนี้ มันเข้าพันษาอย่างนั้นหรือรไม่ใช่คนระับยังไม่เข้าใจคำถามเดี๋ยวนีค้ความสำคัญของวัฒนธรรมกุศลเออมันมันเป็นยังไงเพราะแต่ก่อนนั้นพระมาได้จำพรรษายังไม่ได้บัญญฐฐัติพันษาเชื่อรีไปมา เยียบคันนาของเขาขาดไปหมดไปที่ไหนก็เป็นแถวเถวไปทีนี้ศาสนาอื่นเขาดูถูกว่าศาสนาพระโคดมทำไมถึงไม่เข้าปัญชาไปเหยียบคันนาหรือไปอะไรอะไรของเขาไปที่ไหนก็เดือดร้อน ศาสนาอื่นๆเขายัางเข้าพันศาเขายัางมีพันศาพระบระมศาสดาเขาบอกว่าเราลูกดีอยู่ไม่ใช่เราไม่ลูกตามธรรมเนียมของพระบระมชาสดาองค์มก่อนแล้วทาเราทําทตามธรรมเนียมของพระบระมศาสดาองค์ก่อนเมื่อมีเหตุแล้วเราจรึงจะตั้งบัญญัติในพระวีนัย แต่นี่ต่อไปเราจะต้องมันยัดให้เข้าพรรษาเป็นวันสำคัญอย่างนั้นที่นี่ตอบถูกก็คาถามหรือไม่ถ้าไม่ถูกก็ไม่เอาต้องเอาใหม่คือวันอาสาฬหาบูชา อ, อ, อยากจะถามว่าความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชาวิสาขะไม่ใช่ อาสาระหะบูชานี่กำหนดนกำหนดวันนี้นะครับวันนี้ครับเออตอนนี้เราก็ไม่สนใจอีกละทีเออสาระหะบูชาเป็นวันเกลียมที่จะเข้าพรรษาอย่างนั้นนะเรียกว่าอาสาระหะบูชาเราก็ไม่รู้จักความหมายอีกเหมือนกันอตอนนี้แล้วก็โง่อีกเหมือนกันไม่รู้จักสมมุติคือาษ เดี๋ยวถามให้ละเอียดอีกทีนีอ้อัสสานะหะโมชาเป็นวันปฐมเทศนาแล้วครับโอ้ทํามาจากรวสูตรโ อ, ถรรอ้ถูกแล้วเราก็ลืมไปดอกถูกแล้วแล้วตอบไม่ถูกเรายอมผิดนี่เป็นวันปฐมเทศนาของพระบรมศาสดาแสดงธรรมาจักรกับประวัตนสูตรอืเรานื้เข็นแล้วที่นี่ถูกแล้วผู้ถามก็มีเหตุผลอยู่แต่ว่าผู้ตอบไม่ถูกเฉยดอก ที่นี้ท่านเทศทำ ร, รม้จักกัปวัตนสูตรให้ปัญจาวคีฟังข้อใหญ่ใจความในทรรมจักกัปวัตนสูตรก็มีอยู่อันเดียวว่ายังกินจีสมุทยะธรรมังสัพย์กาต่างๆนิโรธธ้ามันติสิงได้ชิงหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีความดับสูญเป็นธรรมดาพระโกนทัญะ ได้ฟังเรื่องอนิจจังโดยตรงๆนี่จับใจมากลงถึงคิดถึงใจพระโกลทัญยะพระกลทันยะก็ถึงพระโสดาบันยังกินชีสมุยทยะธรรมสัปปัญจังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมีความหลับศูนย์เป็นธรรมดาหัวใจธรรมจักมีเท่านั้นเทศทยาวทีนี้เทศเบื้องต้น งชาติพิทุขขาชาลาพิตุขขาบันนำปิทุขังคนตาบอดอาจเลยเห็นคนหูหนวกอาจได้ยินพระองค์เทศธรรมจกักรปวัตนาสูตรนั่นหน้าต่างที่ปิดอยู่ก็เปิดคนคอมก็เป็นคนหลังตรงไปได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นชาติพิทุขขา เพศคำเดียวมันก็ถูกทั้งพมมาโลกถูกเพราะไตโลคกระท่าเพราะไตโลกระทกก่าเต็มไปด้วยชาติเป็นทุกข์ที่นี่ไปริวัติเบื้องสองก็บอกในข้อวัดปฏิบัติเรื่องทุกข์เป็นของี่ควรกำหนดรู้ เรื่องสมุทัยเป็นเหตุแทละเรื่องมัศเป็นข้อปฏิบัติควรเจริญให้ยิ่งเนื่องเรื่องนิโรธควรทําให้แก่นี่เมื่อเราพิจารณาทุกขเป็นอารมณ์อยู่ยมัศ ก, กับนิโรธก็เป็นไปในตัวการพิจารณาทุกอย่างก็คือมัศคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกความดับตัญหาในที่สิ้นเชิงทุกทั้งหลายก็ดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธ นิโรธคือความดับทุกข์ไม่ใช่นิโรธสมาบัติเราพิจารณาอนิจจังอยู่จะเรียกว่าเราปฏิบัติตามธรรมจักรปรวัตนาสูตรหรือไม่ก็เรียกว่าเราปฏิบัติตามธรรมจักรปรวัตนาสูตรไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติทุกแล้วก็จะปฏิบัติสมุทัยก็จะปฏิบัติมรรคแล้วก็จะปฏิบัตินิโรธ ปฏบัติอันเดียวก็เกี่ยวกันโยงปันกันไปหมดเมื่อพิจารณาทุกอยู่ส ม, มุทัยทั้งหลายความทะเยอทะยานในวัตาสงสารเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มั น, นมันก็บรรเทาลงไปเองมรคคือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติไปในตัวคือการพิจารณาทุกนั่นเองคือขอวัดปฏิบัติคือมรค<ม>คือเหตุ<ม>เหตุปฏิบัติผลของเหตุปฏิบัติก็คือผล<ม>ที่นี่ก็ทําให้แก้งไปในตัวเขาเรียกว่านิโรธ เราพิจารณาทุกขทีนี้หรือพิจารณาอานิจจังจะเข้าใจว่าเราปฏิบัติตามอนัตตะพร า, าสูตรหรือไม่ก็สูตรอนิจจังสูตรทุกขงังสูตรอนัตตาก็อันเดียวกันในธรรมจักกวัตนะสูตรก็แสดงกองนามรูปชาติพิทุขาเชลาพิทุข า, า, ขามันนำพิทุ ข, ขงังคือเป็นกองรูปคนโศกเศร้าเสียใจความปรารถนาไม่ได้สมหวังไป ก, ก็เป็นกองนามที่สัมพยุด้วยกิเลส ก็มีแต่เรื่องเทศเรื่องลูกกับนามเท่านั้นละ่ะเพราะลูกกับนามเป็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้เทศทำมาจากกเทศอนัตตลกนะาสูตรก็เทศเรื่องลูกกับนามเท่านั้นอืรู ป, ปังอนิจจังดินน้ำไฟลมมาชมกันเป็นเป็นกายเรียกว่ารูปเวทนาอนิจจาสั ญ, ญิยาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรู ป, ปังอนัตตาเวทนาอนัตตาหมือมกันก็เทศกับลูกกับนาม ก็เรื่องรูปเรื่องนามเท่านั้นถ้าไม่หลงรูปไม่หลงนามแล้วก็ไม่หลงพบไม่หลงชาติไม่มากกาะพบอีกไม่ไ ม, ไม่ไม่มากาอรูปก่อนามอีกข้ามข้ามนามข้ามข้ามรูปประโลกข้ามอารูปประโลกก็คือข้ามความหลงของตนก็มีความหมายอันเดียวกันทีนี้อธิตะปริยายิสูตรตาหูจมูกกลิ้นกาย จัดเป็นรูปขันจัดเป็นรูปประโลกด้วยรูปประทาด้วยรูปประทังขารด้วยรูปประโลกด้วยรูปประทุกด้วยรูปประทาด้วยใจจะเป็นนามขันทีนี้จัดเป็นนามะธาด้วยนามะทุกด้วยนามะโลกด้วยนามะขันด้วยก็มีความหมายอันเดียวกันพิเตโวหาน ที่หาอุ บ, บายพูดเท่านั้นผู้ฟังก็เอารูปเอานามฟังถ้ามามีรูปมีนามก็ฟังไม่ได้ผู้เทศก็เอารูปกอานามเป็นเป็นของเทศถ้าไม่รูปไม่ไม่มีรูปมีนามทำประโยชต์กันก้อเทศไม่ได้แต่รูปนามทั้งหลายอยู่ใต้อานาจอนิจจังเสียแล้ว มีผลเป็นทุกข์ละเอียดเข้าไปกว่านั้นก็ไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลเพราะมันเป็นทุกอย่างผึงผายเพราะมันเป็นอนิจจังอย่างผึงผายถ้าหากว่าเป็นสัรเป็นบุคคลตัวตนเราเขาเราก็จะห้ามอนิจจังและทุกข์ได้เราห้ามอนิจจังและทุกข์ไม่ได้ก็จาเป็นก็ต้องเป็นอนัตตาอนัตตาลึกกว่าอนิจจังลึกกว่าทุกขงังทาอันเดียวกันนั่นเองแต่ว่าลึกกว่ากันเหตุฉะนั้นจึงว่าใจรับ ลักษณะลักษณะที่เห็นทำลึกไปกว่ากันเป็นสามขณะเรียกว่าไต่รับไต่ลักษณะไต่แปลว่าสามลักษณะที่เห็นเห็นชัดเป็นสามตอนเมื่อเห็นไม่เที่ยงแล้วก็เห็นทุกทรัพยุดอยู่ในที่นั้นแล้วก็เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอยู่ที่นั้น ไม่ใช่ว่าอนิจจังจะเป็นเป้าหนึ่งทุกขังจะเป็นเป้าหนึ่งอนัตตาจะเป็นเป้าหนึ่งก็คือเป้าอันเดียวกันในปัจจุบันนั่นเอง้องเข้าใจดีนะที่นี่เข้าใจน ะ, ะทีนี้อะไรอีกก็พดะดไร้อีกจะถามวันวิสาขามาฆะไปอีกหรือเราก็หมายถึงว่า ก็คืนมาถามอย่างนี้เพราะเราไม่ค่อยสนใจทีนี้บางทีเราก็ไม่นับวันเฉยด้วยวันที่เท่าไรเราไม่ปรากฏอีกคือด้วยบางทีก็ถามพระบางทีก็ถามพระวันที่เท่าไรวันนี้เพราะเรามันผ่านมันไม่ค่อยเออเพื่อกับวันที่ไปเฉยแล้วทีนี่เพราะเรานึกเห็นว่าวันไหนก็เป็นวันดีวันไหนก็เป็นวันชั่วทาบนคู่อายุเราก็ไม่สนใจ ถ้าถ้าทำบุญวันไหนก็เรียกว่าทำบุญคู่อายุถ้าทำบาปวันไหนก็เรียกว่าทำบาปคู่อายุเนี่เรามันถือไปอย่างนั้นใช่แล้วทีทีฉัน <c oughs> มาเมื่อมาถามตามสมมุตินี่เราก็ยอมติดนี่ <c oughs> มันสาระหะถือวันอะไรแล้วก็ลืมไปซะอันนี้มันมีอยู่ในนักธรรมตรีน <c oughs> <c oughs> ี่อยู่ในพุทธประวัติอันนี้เราลืมไปซะ เราก็ท่องวนมานานแล้วอันนี้แต่ว่าเราลืมไปมันสาระฮะวันเพนเดนแปดวันใกล้จะถึงวันวันวันแสดงทรานจากรปวัตนาสูตรถ้าจะถามในพุทธประวัติวันมาคะวันนิสาขาวันมาคะเราก็แปทัพสาวามาเคาะเคาะให้สัตว์ทั้งหลายทำบุญ ทีนี้วันนี้สาขาวิสาขะบูชาถ้าเราทําความเพียรวันไหนทั้งยืนเดินนั่งนอนรับตื่นตามสติกําลังของเราก็าจะประกอบเป็นวันวิสาขะอยู่ทุกวันเช่นเทศพระเวทฉันดอนอย่างนี้เรามคงก็เลยเถิดไปซะอพระเวทสันดอนเทศอยู่วันยังค่ําก็ได้ความว่าให้ทานรักษาศีลภาวนาถ้ามีทานและรักษาศีลและภาวนาท่านรักษาศีลห้าท่านก็ ให้ทานท่านก็ให้ทานรักษาสินให้แล้วก็ภาวนาเพ่งเตโชกสินหรือแผ่เมตตาเพื่อใดมีทานมีสินมีภาวนาก็เรียกว่าเอาบุญพระเวทท่านนอนอยู่ทุกวันเราชอบตอบอย่างนี้เราชัดลงอย่างนี้ที่นีมที่นี่บางท่านถามมือท่านรับส่งเสริมว่าบุญเข้ากี่นางปุณณธาสี ก็ไม่ว่าแต่ข้าวกรีแล้ะข้าวนึ่งหรือข้าวหุงเราก็ได้ทานมันยิ่งกว่านางพุณธาศีไปใช้แล้วเราไม่พูดอย่างนี้ที่นางปุณธาศีนให้ทานเน่ยก็เพราะเจตนาของนางปุณธาศีนนั้นมีเจตนาดีมากบ้านของนางปุณธาศีปุณะแปลว่าชื่อของนาง ทาสีนั่นเพราะเป็นทาสของเศรษฐีไม่มีวิชาอะไรมีแต่วิชาจำข้าวในคุกกระเดื่องวันนั้นนางมองเห็นพระจุดเทียนหรือจุดใต้อยู่ที่บนภูเขาอะไรไปรบกวนกับท่านหนอนาง น, นึกนาง น, นึกอย่างนี้ท่านจึงจุดไฟอยู่นางก็นึกสรดทั้งเลทที่นี่ นึกเลื่อมใสได้สลดจังเว็ดตื่นเช้าขึ้นมาพอตำข้าวเสร็จแล้วนางก็จะไปได้คุแล้วก็จะไปตักน้ำจะหาบน้ามากี่ข้าเอ า, เอาเอาข้าวไปเผาไฟบางท่านว่าแป้งกี่นี่แปลงเผาคําว่ากี่เป็นคําภาคอีสานคําว่าเผาเป็นคําภาคกลาง ก็ตั้งใจว่าจะนึกจะเอาไปกินกลางทางของตัวเองพอไปเห็นพระบรมศาสดากับพระอานุ์กําลังจะเป็นกําลังมาไปบินทะบายท่านนั้ น, น, นคงจะไม่มีใครตามหลังคงจะมีแต่พระอานุนกับพระบรมศาสดาทนั้นไมน่ไม่ได้เห็นกล่าวว่าพระพิสุมาหรือท่านไม่กล่าวก็ไม่ทราบเออนึกมในใจเสร็จแล้วทีนี้ เราอยากจะเอาปั้นขา้าวกี่ที่ขอดมาในพกหนึ่งถวายพระบรมศาสดา a r m ทำไมถึงเป็นของต่ำนักท่านจะฉันให้เราหรือไม่นางก็สนใจทีนี้ทั้งนึกทั้งสนใจด้วยพระบรมศารดาก็รู้จักนางสนใจขณะจิตดใด้พระบรมาสารดารู้จักทั้งนั้นท่านจะฉันหรือไม่ฉันเรา มีความเต็มใจแล้วก็ต้องถวายทันพอถวายแล้วพระบรมศา ส, สดานางก็นึกอีกว่าเออท่านจะกว้างทิ่งหรือจะทำยังไงหนอะทีนี่ท่านจะฉันให้เราหรือไม่เนอนึกกูเป็นกังวลอยู่พระบรมศา ส, สดารู้จากความหมายแล้วก็อน์นั่งลงนั่งอยู่ที่กลางทาง ที่นี่ท่านท่านก็แบ่งให้พระอานุน์ขึ้นองค์ท่านก็ชันให้นางเห็นพระาอานวนก็ชันให้เห็นนี่มนฉันอนุนมีเหตุกว่านี้อานุนก็ชันพอฉันแล้วนางก็ดีใจมากลืมตัวเดินไปเดินไปไม่ดูเท่าของตัวไปเหยียบงูเหา่างูเห่ากัดทีนี้ก็ตาย ตายแลระเกิดในเมืองสวรรค์เออทำไมเรามาอยู่ที่นี่หรือน ล, ลึกชาติได้ที่นี่เออเราได้ถวายบันเข้ากี่ให้พระบระมาศาสดางูเห่ากัดเราเราจึงได้มาเกิดในที่นี้นางก็รู้จักที่นี้ท่านางนางพุทธาทาสีนั่นเองในพระวัาางสกุลขั้งที่แรกในพระพุทธศา ส, าศาสนานี่ เขาคงทิ้งุพทิ้งทิ้งศพกันไม่ค่อยจะเผากำลังยิ่งปล่อยให้เปื่อยให้เน่าพระบรมศาสนาไดี่ไปชักผ้าบางสกุลกำนางปุนณธาสีนในศาสนาของเราพระโคดมทุกๆศาสนาก็มีผ้าบางะกุลเหมือนเหมือนกัน บางสกุลเป็นต้นเหตุทิศทั้งหลายเห็นว่าพระบร ม, มาาศาสดาบัญญกกัติกระถินแล้วจะทิ้งผ้าบางสกุลหรือไม่เราไม่ทิ้งผ้าบางสกุลเป็นวินัยเดิมกระถิ่นเป็นวินัยที่เพิ่มเติมในภายหลังผ้าบางสกุลนั้นจะปะจะชนสักห้าร้อยชั้นก็ไม่เป็นปัญหา เวลาขาดมาเวลาไม่ขาดจะต้องการทำจีวรจะทำเป็นสองชั้นก็ได้ตามความประสงค์ถ้าเป็นผ้าบางสกุลหลวงปู่มัน่นนิยมผ้าบางสกุลเป็นส่วนมากท่านว่ามันไม่ขาดอายุง่ายกระทินมันขาดอายุของพระ แต่ว่าคงโยมไม่ได้ขาดพระจา ก, การหรือไม่การไม่เป็นปัญหาเมื่อโยมต้องการกระถินมันก็อานิสงของกระถินก็บรบิบูรณ์เหมือนกันส่วนจะควรการหรือไม่ควรการนันเป็นหน้าที่ของพระต่างหาก ทีนี้บางท่านไม่รู้จกเกตนาก็แย่งกันแย่งการบริจาคได้เย็บเพราะเห็นว่าตินนบาลมีอเนสงมากก่อนที่ตินนบาลจะให้ทานตินนบาลไม่ได้ให้ทานพื่อแข่งโลกมีความคํานึงถึงอดีตเราเกิดมาในชาตินี้เป็นคนทุกคนจนเพราะไม่ได้ให้ทานกับท่าน บกพร่องในการให้ทานแล้วจึงเป็นทุกคนทุกคนจนทั้งเพียงนี้เมื่อเป็นดังนี้เราจะยอมเอาใบไม้มานุ่งเอาผาของเรานี่เองไปซับให้สะอาดแล้วจะไปถ่ายจะไปรวมกฐิถิ่นกับท่านเจตนาของตินนบานเจตนาลึกล้ำเนี่ยจะนั่นอานิสงส์จริงมากปฐิถิ่นเป็นพร่างละเอียดและออมมาก เมื่อพระไปชวนโยมไปทำมันก็ไม่บริบูรณ์อาตมาจะพาไปทอดกระถินบ้านนั่นบ้านนี้จงทำกระทิ่นเถิอดอย่างนี้กระินก็ไม่บริบูรณ์เพราะเป็นกระถินที่เรียบเทียงต้องโยมเป็นเองรัตนาเป็นเองโดยไม่มีผู้อื่นมาชักจูงโดยไม่มีพระไปชักจูงคนอื่นชักจูงไม่เป็นปัญหาถ้าชักจูงก็ต้องผิด ทันจัดว่าเป็นวจีวินยัตเป็นโอภาสในเรื่องนี้หลวงปู่มั่นกำชับมากหลวงปู่มั่นละเอียดและอ่อหรือไม่จงพิจารณาทีนี้จะเล่าให้ฟังสักหน่อยข้าวหนึ่งหลวงปูกงงงป่กองมายุคบ้านหนองผือหลวงปู่กองมา ที่อยู่วัดดอยทําให้เจดียนั้นห่างกันจากกับำลังปู่ม่านน่อยเดินทางวันยังค่ำจึงถึ ง, ถงเพราะไม่ได้ขี่รถทำไมนั่น<ม>ก็ยังไม่ถึงอีกด้วยยังมานอนสกนลคนครเะก่อนออกจากสกนลคนครจึงจึงเดินทางถึงก็ต้องมาอําเภอพนนาอยู่เหมือนกันญาติยมทั้งหลาย อาตมาจะพาไปทำบุญกับหลวงปู่ ม, มั่นจะไปไหมน้โโมาโยมก็บอกว่าไปดีใจมากไปเ้าจะพาเข้าไปในเมืองตะ ก, กรน่รนไปหาซื้อเอาผ้าไม้สักถามม้ให้เป็นให้เป็นผ้าบางทำสังคาติเดเยืไม่นหนึ่งให้ทำเป็นพีวร เยออีกแค่ิดหนึ่งถ้าทําเป็นส บ, บงอีกก็เอาอันหนาบ้างส บ, บงจีวอต้องเอาอันบางกว่าสังขารบ้างเอาอันหนากว่าสังขารบ้างหรือจะเอาอันเดียวกันก็ได้เพราะ้ย่ลงก็ดีใจเพราะเขารเริ่มใช้หลวงปู่มั่นมากเขาก็พอใจที่นี่ก็ตกลงไปซื้อทีนี่ ชื่อแรกก็เข้าไปถวายท่านพอไปถึงสั่นก็ถวายเพราะมมนต์ท่านอาจารย์เปลี่ยนวีญวอนให้จังคาเออแล้วก็เปลี่ยนมาใหม่ๆลเลยเฉพาะออกกันษาปีนี้ที่ท่านก็กลับบ้านแล้วบ้านก็สั่งให้ท่านอาจารย์มหาบัวท่านหลวงปู่มหาบัวบอกว่าเขาให้วิงวอนให้หลวงปู่เปลี่ยนให้นะเออผมจะวิงวอนท่านหลอกท่านอาจารย์มหาบัวหลวงปู่มหาบัวก็วิญวอนในขณะนั้น สามครั้งจึงได้ขั้นที่หนึ่งยิงวอนไม่ได้ก็ห่างไปอีกสองสาวันก็อวยขึ้นอีกไม่ได้ก็ห่างไปอีกนาน 5, ้าหกเจ็ดวันก็อวยขึ้นอีกท่านก็ทรงอนุ่าตอย่างฟืดเมื่อตัดแล้วเย็บแล้วย่อมแล้วที่นี้ท่านไปเดินจงกรมทีนี้ พูดขึ้นมาที่จินท่านพูดอย่างนั้ น, นพูดก็เสียงผ้าที่ท่านนุ่งห่มอยู่นี่ไม่ใช่โยมเขาเป็นเองนะท่านอาจารย์กรงมาได้โคดแก่เกาให้เขามาเราลูเองที่นี่เราลูที่หลังฉากไม่ควรเราจะใช้ฉันพูดอย่าง ถ้าชอบลูกศิษย์ของเราจะแช่ไครจะเอาไปใช่ก็เอาไปซักไม่เป็นไรแต่ไม่สมฐานะของเราฐานะของลูกศิษย์สมอยู่เพราเราให้ถ้าซือเป็นของเราท่านอาจารย์หลุยส์ก็เลยเอาสุรุลุ่งท่านอาจารย์หลุยส์เลยเอาเพราะแบบเดียวกันร่างก็เท่ากันกับท่านอาจารย์หลุยส์สูงต่ําก็ดีละเอียดขนาดไหน หลงปูมัน่นไม่เห็นแก่ได้ท่านยินดีในบางสกุลหลวงผูมั่นทีนี้ท่านยังมีละเอียดไปอีกอันไหนที่เขามาบางสกุลในกลางสงฆ์ที่สราก็ดี ที่กับเวลาบินธบาตก็ดีทิ้นคุทางก็ดีท่านแม่ก็ใช่ท่านก็ให้ลูกๆนั้นหลานแต่ว่าท่านแม่ท่านแม่เอ่ยไม่รู้จักท่านไม่พูดไม่ค่อยใช่ถึงจะขาแเคลืนจากเตียงไหนก็ไม่ค่อยใช่จะ่ให้ลูกให้หลานเลยส่วนที่ท่านจะใช่่ะ ที่ไหนเขามาบางสกุลที่ท่านเดินจงกรมหรือที่บันไดท่านหรือที่กุฏิท่านถ้าเมื่อท่านขาดเขินท่านก็ใช่ถ้าไม่ขาดเขินท่านก็ให้องค์อื่นไม่ได้หวงไว้แต่เฉพาะผู้เดียวละเอียดไหมนลวงปู่มันไม่ใช่อันนี้ข้าจะใช้อันนั้นข้าจะใช่ไม่มีในในองค์ท่าน จะตัดผ้าหรืออะไรถาวายท่านอย่างนี้ฟ้องกันหมดแล้วหรือฉันต้องถามซ่อนมาอีกเสียก่อนท่านอาจารย์หลวงปู่มหาบัวเป็นเป็นมือขวาเลยใช่ไหมนั่นท่านก็ฉลาดหลวงปู่มหาบัวฟ้องกันหมดแล้วลูกหลานฟ้องกันหมดแล้วฉันดจูจริงๆริงเห็นใจได้เออ ทังโควิดมากับใครมามาฉลองเออมาจริงตามคำพูดนะพระโชธโมสังโกนิพพา น, นบ้านดูภูเก็ตทางงานะ น, นี่เป็นแค่นายควา ม, มเรียนนังศึกษากิเหมือนกันไปสองน้องชายกับหลานอ่านบทไปอยู่กับหลวงปู่เหรียญ เอาไปสองที่หนอายแล้วกลับฝนตกไหมตกเยอะทามากระทึกกันนานแล้วนี่ไม่ใช่ทา ม, มากระทึกวันนี้ทา ม, มากระทึกอ๋อ <c oughs> มา ยัาไหมไปหาท่านอาจารย์เหรอยังยังครับตรงนี้กระไบครับตรงนี้ไฟไบท่านก็ถามอยู่ก่ อ, อนจะมาท่านก็บอกอยู่เหมือนกันวันนั้นเจ้าที่งานหลวงพ่อคุยก็แล้วที่จะตาลบอะไรกันอีกอยนี้ มันเป็นมันเกิดขึ้นมาในขั้นคลายในขั้งที่สองพวกพวกมหายาณนั้นไปประกาศภาษาสนญญาทางเหนือพวกขินยาณไปประกาศภาษาสัญญาทางที่ใต้พวกไปทางเหนือก็ไปลาวไปจีนไปยวนประกาศได้เร็วมากพวกนี้ ก, ก็พุทธเจ้าคนห น, นึ่า พระไฟรนายขั้งที่สองแตกกันไม่ลงเอยกันเรื่องตีกองนี่เดิมของมันเป็นกองของพระเจ้าพิมพิสารพิมพิสารโอนาะมะนันเทเพนามที่ว่าพระเจ้าพิมพิสารนันเทเพยเป็ว่ากอง พอถึงวันพระมาพระเจ้าพิมพิสารตีกองทำเนียมของโบราณก็ต้องเห็นกองนั้นกองไว้ที่หอประชุมของพระบรมราชวังถ้าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพิมพิสารตีกองให้คนเตรียมตัว ไปฟังเทศพระบรมศาสดาในวันทะเวลาสายยันฮะตะวันบ่ายที่นี้ตอนในเวลาปะมาณตีสามพระเจ้าพิมพิสาลก็ตีอีกตีให้เตรียมตัว ภาวนารื้อไหว้หพระแล้วจึงมาทำอาหารรัก บ, บาดใส่พกของพระภิกษุสงฆ์ขั้นอยู่ต่อมาต่อมาก็เลยกลายเป็นงานของพระภิกษุสงฆ์ครับแต่ก่อนเป็นงานของขาราวาสเองพระเจ้าพิมพิสาดรดวงหนา้าพิชิขาด ท่านมีชินห้าบริบูรณ์ประจำเพราะท่านเป็นพระโสดาบาลท่านออกกฎหมายเองแล้วไม่ต้องอาศัยท่านผู้ใดทรงอํานาจที้ขาดราชามาคาถูแปลว่พระเจ้าแผ่นดินมนคติอันตั้งมีผลใต้ิีบูร์มีแฝนใหญ่เป็นแฝนใหญ่และมีอํานาจมากมีพระเจ้าพินพิจาวนั้นเป็นผู้ปกคร อ, องทรงอํานาจที่ขาด ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วมีสิ้นห้าบริบูรณ์คนมีสิ้นห้าบริบูรณ์การออกกฎหมายมันก็ไม่เข้าข้างตัวเอาข้อิีนเป็นแวดออกกฎหมายกฎหมายอายากาดีกฎหมายแท่งกว่าดีเพราะไม่เห็นแก่ตัวเพราะอาศีนเป็นแวดเอาศีนห้าเเป็นแวดเอาศีนทำเป็นแวด ด้านอาบายยมุกทุกประเภทท่านก็ทรงห้ามทรงห้ามประชาชนท่านก็ออกคนหมายทีนี้มีผู้สอบถามเข้ามาอีกพวกจะไปฆ่าพระโมคขนา่ น, านจนห้าร้อยพระเจ้าทีมไิสารจับได้ แล้วก็เอาไปฝังไว้ขนาดเอวบ้างขนาดคอบ้างเอาไทเหล็กไถทรมานเพราะฆ่าพระรหันต์เขามีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสจาดาบันแลว้วทำไมถึงไปฆ่ามนุษย์ไม่ได้ผิดชิ้นหรือ ก็มีทางตอบสองทางเพราะฆ่าพระรหันต์นั่นมันเป็นครุกรรมมันบาปหนักผลของบาปอันนั้นบันดาลเองนี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งอีกไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารฆ่ากฎหมายฆ่าต่างหากเขากฎหมายเขาตั้งไว้ก่อนแล้วต้องตอบอย่างนั้นทีนี้เพราะที่กล่าวตัวพระเจ้าพิมพิสารล่วงสินหากก็เลยเป็นมุขไปเอง ในสมัยทุกวันในสมัยปฏิวบันเขามีการโต้กันอยู่ค่ายก็พูดเป็นทั้งพาทิเศทีนีิพราบรมศาสดาสอนเราให้อยู่กรรมไม่ใช่พระบรมศาสดาไม่เป็นบาปห ร, หรือทำไมไม่เมตตาบ้างพูดเป็นปารายทิโกต์บอกให้ลาึิขาออก จากหมู่เพื่อนอพระเวไนยเป็นอย่างนั้นมาแต่หลๆแล้วพระเวไนยเป็นผู้ลงโทษไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ลงโทษกรรมและผลของกรรมลงโทษครูโรงเรียนคนหนึ่งพูดมีคติอยู่ที่มันเป้าเนี่ยวันนี้ฉันจะเคียนเธอเพราะเธอขาดโรงเรียนไม่ใช่ฉันเขียนเธอนะ เธอเกลียดเธอเองถ้าเธอไม่ขาดฉันก็ไม่เกลียดเธอก็เลยเขียนแต่ไม่เกลียดเองออุบายพูดธรรมะดีฟูฟันอันนี้ตรงนั้นกันกรรมและผลของกรรมทําให้ตัวเองบันดาลถ้าพลานหันมันเป็นคลุกรรมกําหนัก ครุกรรมกำหนักหมายถึงปาราชิตสี่และอนันตเรกกรรมห้าฝ่ายในทางบาปฝ่ายในทางบุญครุกรรมกำรแรปลวกิริยาที่ทำหมายถึงพระอนาคามีพระอนาคามีก็เรียกว่าครุกรรมเหมือนกันถึงพระอรหันต์แล้วไม่จช่ว่าเป็นครุกรรมเพราะพ้นจากเหตุจากกรรมจากผลของเหตุผลของกรรมไปแล้ว อยู่เนื้อเหตุเนื้อกรรมและผลของเหตุของกรรมไปแล้วพระอรหันต์ไม่ได้จัดว่าเป็นกรรมไม่จัดว่าเป็นผลของกรรมไม่จัดว่าเป็นเหตุไม่จัดว่าเป็นผลของเหตุเพราะพระอรหันต์ไม่ได้สร้างเหตุทั่วจะเอาผลเหตุจิตเหตุใจของเราจะทํำยังไงมันจึงจะดีกว่านี้พระอรหันต์ไม่ได้แต่ถ้ามันดีพอแล้วพระอรหันต์ท่านระวังจิตใจของท่านหรือไม่ มันไม่มีโทษท่านก็ไม่ได้ระวังจะระวังทําไมเพราะมันไม่มีโทษพวกเราทําไม่ระวางังมันมีโทษจริงๆเพราะมันไม่ยังไม่พ้นนี่ท่านจะว่าจบจิตพระพุทธศาสนาเมืเ่อจบจบจิตในพระพุทธศาสนาก็จบจิตในธรรมศาสนาสังฆศาสนาอยู่ในตัวไม่มีสิ่งที่จะทําไปอีก เหตุ่นนั้นจึงว่าพระอริยเจ้าพาาระรหันอยู่เนื้อบาปเนื้อบุญเพราะบาปก็ละทอแล้วเพราะบุญก็สร้างทอแล้วก็ต้องอยู่เนื้อบาปเนื้อบุญน้ำที่เต็นตุ่มแล้วไม่มีเหตุที่จะตักใต่อีกผลของน้ำจะรับเอผลจะรับน้ำไว้ก็ไม่มีเหตุจะตักน้ำใส่ก็ไม่มีถ้ามันเต็มแล้ว แใส่มันก็ไหลออกเฉยๆท่านผู้พ้นไปแล้วไม่กลัวแพ้กลัวชนะเพราะท่านอยู่เหนือแพเ้เหนือชนะแล้วถ้าพระละหันระวังกิดอยู่ มันก็เป็นทุกข์ก็เหมือนคนคุมนักโทษเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ได้ระวังกิจกรรมามอวิตกไม่มีในท่านพยาบาทวิหิงตกวิหิงวิหิงสาวิตกก็ไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลก็ไม่มีในตัวตนของท่านท่านเห็นสักคนกายสักคนละใจของท่านเป็นแต่เพียงสักว่าธาตุสักว่าธรรมสักว่าขันเท่านั้นไม่ได้เห็นว่าเราว่าเขาจริงๆจังจังให้ติดจนแกะไม่ออก ตะถากรเราท่านก็พูดเฉยๆบาทของเรากีวรของเราท่านก็พูดเฉยๆพูดตามสมุดแต่ถ้าไม่ติดอยู่ในคําพูดของท่านดาวชันอาหารท่านก็พูดอยู่เหมือนกันแต่ท่านไม่ติดในคําพูดของท่านเหมือนนกบินในอากาศบินอยู่ไม่มีกางวันกลางคืนรอยของนกก็ไม่มีเห็นก็เห็นแต่ตัวนก หรือเหมือนปลายเล็กแหลมไม่รับเอาเม็ดพันธ์ักการไว้หรือเหมือนมีเฉือนน้ำจะเฉือนวันยังค่ำก็ไม่มีรอยก็ไม่มีแผลจิตพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นยังไม่พ้นทุกข์ยังก็มาเกิดแก่จะตายอีกอยู่ เครื่องทดสอบเลว่าพุทธศาสนามีอยู่พระอนาคามีาคะไม่มีโทสะหายไปหมดแล้วโมหะหลงยังมีอยู่กามวิตกพยาบาทิตกุหิงไซตกขาดไปหมดแล้วพระโสดาบันก็ผ่อนปลนเบาไปแล้ว พยาบาทวิตกไม่มีในพระโัดาบันมีหิงสาวิตกก็ไม่มีในพระโัดาบันมันมาทำกูกู้จะพยาบาดฟองร้ายแก้แค้นมันไม่มีในพระโสดาบันยกใส่หัวเลยถ้าได้เคยทำเขามาแต่ชาติก่อนก็ให้เรากันไปซะถ้าหากว่าเขามาขอดเรียนใหม่หรือมาปลูกใหม่มาสร้างใหม่ก็ให้เากันไปซักเราจะไม่ตอบตรงนรอย่างนั้น แต่ว่าโกรธอยู่ไม่ถึงกับอาคาดไม่ถึงกับจองเวรอาคาดจองเวรผูกใจเก็บไม่มีแก้แค่นไม่มีถ้าใครเป็นอย่างนั้นไม่มีใครรับรองก็เป็นพระโสดาบันนะครับคนรับรองละพระอนาคามีไม่มีกามมาคะขาดไปแล้ว ผู้หญิงก็ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ว่าผู้ชายตามธรรมชาติแต่ว่าเห็นผู้หญิงก็ผู้ชายก็เห็นแผ่นดินก็อันเดียวกันใกล้ๆกับดินกับน้าดินก็ไม่ว่าจะกําหนัดน้าน้ําก็ไม่ว่าจะกําหนัดดินก็อยู่ได้กันได้ดจิตใจเพรา่อพานาคางนี้ต้องเป็นอย่างนั้นโทอสะขาดเลยโมหะยังอยู่โมหะแต่ยังโมหะละเอียด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 ที่เป็นผู้เลวกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลื่กว่าเขาเป็นผู้เลวกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลวกว่าเขาสําคัญตัวเลียกว่าเขาพระ อ, อ, อนาคามียังละไม่ได้พระอนาคามีเจริญกมมรรมฐานยังประติดสุขอยู่ติดอยู่ในสุขเวทนาพาาระอรหันต์ไม่ติดอยู่ในที่ใดใดทั้งสิ้นสุขทุกขเวขาไม่ได้ติดอยู่ ที่เราสมมุติกันว่าพระบรมศาดสดาสวยมุตติสุขอยู่อาชาราแล้วนี่โคดก็ดีราชาอัจฉรก็ดีมุจจดินก็ดีเราก็สมมุติเพื่อให้รู้จักความหมายกันเฉยแต่ในที่สุดพระบรมศาสดาสวยอะไรไม่ทราบกับท่านเพราะไม่มีใครสา ม, มารถจะตามท่านได้เมื่อพระอนุรุทธะจะตามได้ก็ตามได้เดินบาง ข, องข้อฉะนัน้นก็เป็นภูมิของสาวกไม่สา ม, มารถจะตามขณะจิตของพระบรมศาสดาได้ได พิซซาร้านข้างบนก็ดีอืมอืมก็อยาอย่างกเอรกับ่าาวมันีด้วยครับเอองอนุญาตอนุญาตเยให้เป็นชกประชุกเนออืมเชประชุว่า ปากใม่แลปากใรที่นั่นลมชาวบ้านที่เกิ้อยสาวซีนนจะมีลไปลงไปทางเรื่องไปสาวที่เชิด ให้รู้จักความหมายกันคุณก็ต้องไปบอกไปส่งให้รู้จักให้รู้จักความหมายจะให้เจ้าตัวไปบอกก็ไม่รู้ว่าจะบอกใครนี้เพราะไม่คุ้นชื่อก็ไปอืมต้องทาอย่างนั้น รุตโทธโมทังโกเป็นสุขเป็นสุขไม่ได้เป็นห่วงตังอย่างนั้นสระอะไรได้จะมีเป็นแผ่นฟ้าแผ่นดิกนก็ตามไปนี่คุณโดวิทเฮ้ ยังไม่ได้รับอาหารรับขึครับรับตัตนมาจากโรงเรียนนะรับผู่เรียนเนี่ยเนนี้ัย น, นีโอ้ต้องเดินทางด้วยมันก็หิวที่